จิตหลุดพ้นจากอาสวะเพราะความไม่ยึดมั่นถือมั่นวงเล็บเปิด24มีนาคม2551ในวงเล็บหนึ่งจุดจุดนาที16วงเล็บปิดมนุษย์แต่ละคนเป็นเศษธุลีของจักรวาลไม่ได้มีความหมายอะไรที่จริงแต่ละคนไม่ได้มีนัยะที่มีความหมายเลยตายเสียก็ไม่ได้ทําให้โลกนี้เตี้ยลงความสําคัญตนทําให้ตัวมันใหญ่ขึ้นมาที่จริงไม่ได้มีอะไรรู้ลงไปจนเห็นความไม่มีอะไร ไม่มีตัวตนอะไรที่ยิ่งใหญ่ที่แท้จริงดูลงไปจนหมดความยึดถือกายยึดถือใจนี่เป็นผลของการปฏิบัติคือมันไม่ยึดถือเองเพราะอะไรเพราะมันมีปัญญาเห็นของจริงมีแต่ของไม่เที่ยงยึดทำไมมีแต่ของเป็นทุกข์ยึดทำไมมีแต่ของไม่ใช่เราจะไปยึดอยู่ทำไมยึดมาแล้วมีอะไรเกิดขึ้นยึดมาแล้วมีแต่ทุกข์เกิดขึ้นนี่สติปัญญามันลึกซึ้งลงไปนะ ยึดมาแล้วมีแต่ทุกข์เกิดขึ้นคือการเห็นปฏิจจสมุปบาทแจ้งตรงนี้โอ้ยึดเอาไว้ก็มีแต่ทุกขนะแล้วของที่ไปยึดอยู่ก็ไม่ใช่ของดีของวิเศษมันก็คือตัวทุกล้วนๆเลยเนี่ยจิตปิ๊งตรงนี้นะปิ๊งทีเดียวขาดสะบั้นเลยนะจิตรวมเข้ามาอาสะวะกิเลสถูกถอดถอนจิตหลุดพ้นออกจากอาสะวะไม่ได้ทําลายอาสะวะกิเลสนะแต่จิตหลุดพ้นจากอาสะวะกิเลสไม่มีการทําลายอะไรสักอย่างหนึ่ง ทำลายความไม่รู้อันเดียวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปลากกิเลสนะพโหมดความไม่รู้เท่านั้นเองจิตก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะความไม่ถือมั่นในพระไตรปิฎกเวลาท่านใดท่านหนึ่งบรรุพระอรหนนันต์นี่พระไตรปิฎกจะบอกว่าจิตของท่านผู้นั้นหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเพราะความไม่ถือมั่นไม่ถือมั่นในอะไรไม่ถือมั่นในรูปนามกายใจนี้พอหลุดพ้นแล้วเกิดอะไรขึ้น ท่านก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ว่าชาติคือความเกิดที่จิตจะเที่ยวสแสวงหาพบทั้งหลายนี่ไม่มีอีกแล้วชาติจบแล้วพรหมจรรย์คือการประพฤติปฏิบัติธรรมจบแล้วกิจที่ควรทำเพื่อความพ้นทุก์ทำสำเร็จแล้ว